พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่6ตุลาคม2559มีชื่อเรื่องว่าชั่วร้อยปีดีหนึ่งวันอ๋อศรัทธาญาติโยมหลูกหลานอยู่ในความสงบ วันนี้รู้สึกบางตานะพระสี่สิบห้ารูปลงมาชันสาบอ็ดงดสิบสี่เช้าเนี่ยฝนตกมั้งคุบาเลยงดไม่ชันอาหารไม่ชันบินทบาทไม่บินทบาทวันนี้เป็นวันพระรหัสที่หกตุลาคมพุทธศักราช25ัห5าจากนี้ไปออกพรรษาไม่นานพระถุกองค์เตือนการบอก กันนอะคำภาวณาออกภรษาเตรียมพร้อมถึงวันแล้วย่ายกระตุกกระตักให้เตรียมพร้อมทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วก็กระถินก็เตรียมพร้อมเหมือนกันนะ่ะฝึกซ้อมกันพราะเราเคยมาแล้วแล้วก็จัตถาญาดโยมพวกที่เกี่ยวข้งข อ, งของคนนั้น งานกฐินออกพรรษาแล้วไม่กี่วันออกพรรษาวันที่สิบหกตุลากฐินวันที่ยี่สิบสามตุลาเนก็ไม่เกินกันไม่กี่วันแล้วในพวกทางในครัวก็ให้พร้อมนะพวกอุปกรณ์ในการเลี้ยงแขกเลี้ยงคนถ้วยโตโอชามอ ะ, อะไรให้พร้อมนางในครัว วพวกเราก็เคยผ่านงานผ่านการมาแล้วนะถ้าว่าถึงไม่ถึงพ่อไม่เตือนก็นเดี๋ยวกว่าคนนั้นน่าจะคิดคนนี้น่าจะคิดนะแต่พวกเราอยู่ด้วยกันต้องคิดทุกคนไม่ให้คิดแต่ลิงนะลิงมันคิดติดถึงกล้วยเท่านั้นะพวกเราอยู่ด้วยต้นกันต้องคิดจะทํำยังไงจะพัฒนาอย่างไรจะดูแลกันยังไง เรื่องของใช้ต่างๆช่วยกันคิดนในขัวเนแล้วก็เมื่อวานพวกตอนเมื่อตอนเช้าพวกเราคงได้ยินที่หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อจะไปกราบคารวะหลวงปู่ทุยวัดดงสีชมพูท่านออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา วันนี้ก็เป็นวันพระรหัสอ่นะอังคารพุธวันนี้เป็นวันพระรหัสหลวงพ่อให้ไปกราบพอได้พ่อท่านมาแล้วหลวงพ่อก็เลยเขาไปกราบท่านเมื่อวานฉันจังหัรเสร็จแล้วก็เดินทางไปดงสียงผูกระน้อไปโชคดีน้องฝนฝนไม่ตกตามทางตกนิดๆแต่อย ที่กลัวคือฝ น, นกนีวถนนมันรื่นรถมันเยอะอีกต่างหากพอไปกราบท่านท่านไปเห็นท่านแล้วก็รู้สึกว่าท่านแข็งแรงเดินได้และสายอายสายท่อปัสสาวะอะไรท่านก็ถอดออกเดินได้มีต่กายภาพท่านก็ประครบเกี่ยวกันหลังหลังของท่านท่านก็พูดให้ฟังว่า ได้รับความสะดวกสบายมากไปที่ผ่าที่ศรีนครินหมอใส่ใจอาจารย์หมอมาจากกรุงเทพอาจารย์หมอสุชยัยฝีมือที่ผ่าตัดไม่เจ็บไม่ปวดเลยท่านก็ชมท่านนอนอยู่ที่ศรีนครินสองสามวันท่านก็ว่าท่านได้ปัจจัยทั้งหมด หนึ่งล้านมาแต่ก็จจำนวนทีเ่เหลือก็คือเป็นเช็คที่ระบุชื่อของท่านท่านก็ไม่ได้ให้แต่ว่าเป็นอันไหนที่จะให้ได้ท่านให้ทั้งหมดให้ตึกสงอาพาสสามแสนให้คนที่ยากทุกยากแล้วกัคนที่ไม่มีเงินเข้ามาโรงพยาบาล โดยโอกาสท่านให้เจ็ดแสนท่านให้เจดแสนท่านพูดเมื่อวานก็เห็นท่านสดชื่นแจม่มใสเห็นแล้วก็อื้อเป็นที่พอใจกรบครวะท่นานเมื่อวานจากนั้นก็กลับออกมามาถึงวัดกุคำนะ่ำเมื่อวานแต่ก็ได้ยินข่าวหลงปู่ลีอีกเหมือนกันเถนี่ครูบาอาจารย์ มีแต่อายุมากๆทั้งนั้นอ่ะหลวงปู่ทวีก็แปดสบสี่หลวงปู่ลีก็เก้าสิบห้าเก้าสี่เต็มเมื่อกี้เนี่ยก้าบห้ากำลังเดินอยู่เก้าสี่เต็มเมื่อวันเดือ น, น10เดือนสิบแผ่นที่ผ่านมานนกำลังเก้าเก้าสบห้านี่สองสามอาทิตย์ละหลวงปู่ลีนะที่ หลวงพ่อ ไ, ไปกลับคระวะท่านเมื่อวันก่อนเหมือนกันน่ะสองสามวันที่ผ่านมาแต่เมื่อวานกลับมาทราบข่าวจากท่านสักนาแคท่านบอกว่าท่านไปเยี่ยมกลับเยี่ยมนุกปูรลีที่ผาแดงท่านว่าความดันล้งปู่สูงออกมาจากห้อง เดินไม่ได้เลยออกมาก็นอนเลยเออนอนเลยมั น, นมันมึ น, นมันเวียนศรีรษนะ่ะเราก็ถามว่ามีหมออะไรไหมไม่มีไ ม, ไม่มีผมไปอยู่ที่นั่นไม่มีเอาไม่มีใครหมอเขาไปดูแล้วไม่เห็นครับหลวงพ่อก็เป็นห่วงเหมือนกันนะถ้าจะว่าไปหลวงเป็นห่วงหลวงปูล่ลีเพราะว่าท่านพูดว่า หลวงพ่อไปกราบคารวะท่านคารพระอุปถากก็อยู่กันข้างๆนะถ้าท่านพูดไม่จริงพระอุปถากก็คงจะบอกหลวงพ่อหลว ง, งปู่จาผิดก็คงจะว่าอันนี้พระอุปถากก็ยอมรับบอกเขาวัดความดันหลวงปู่ลีเนะี่ยตั้ง200กว่าบนะางทีก็8 8ดร้อยแแต่ตามไม่จริงรสี่ ร5 0าสเขาสูงเต็มทนแล้วถ้าเกินร้อยห้าสิไปแล้วเขาต้องให้ทานยาที่หลวงพ่อได้ฟังฟังตามหมอพูดนะปิมปิมละจะเกินไปซะแล้วแต่ปกติแต่อยี่สิบกว่าร3อยสาิอันนี้คือปกติความรันยิ่งผู้สูงอายุอย่างหลวงปู่ลีเนี่ยอายุตั้ง90สกว่าเนี่ยความรันถึงขนาดนั้นไม่น่า ลูกหลานทั้งหลายคณะแพทย์คณะหมอทั้งหลายควรจะใส่ใจและหลวงพ่อว่านะท้งหมอทางอุดรก็ดีหมอทางศรีนะครินก็ดีหรือหมอโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้หนองวัวซอนะที่หมอประจำที่หม อ, นะอควรจะช่วยๆกันดูนะที่หลวงพ่อพูดท้งนี้แต่เรก็ขอฝาก ทางสายลมไปให้พวกคณะแพทย์คณะหมอทั้งหลายไดร้รับทราบด้วยพระมหาเถระผู้ใหญ่ท่านมีชีวิตอยู่วันหนึ่งก็ยังมีประโยชน์กว่าภาลชนมีอายุถึงร้อยปีพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นนะอันนี้หลวงปู่ลีท่านก็เป็นผู้ทรงคุณธรรมประโยชน์ท่านช่วยเหลือชุมชนสังคมไม่ใช่น้อยท่านให กับโรงพยาบาลสีนะขรตึกสงฆาพาธเมื่อปีที่แล้วนะ่ก็ปีก่อนม่ปีีแล้วเป็นสิบกว่าล้านนะท่านก็สงเคราะห์กับโรงพยาบาลในอุดรในที่ต่างๆเมื่อกี้นะี่ก็ให้ทางจังหวัดชนบุรีอกีกก็หลายล้านให้เครื่องผ่าตัดหัวใจนี่แหละอันนี้เมื่อถึงอย่างนี้แล้วคณะแพทย์หลวงพ่อวานาจะ ปรึกษาหารือกันใครผู้อยู่ใกล้ความดันขนาดนี้แล้วควรจะเข้าไปอยู่ใกล้ชิดละโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมออ้วนที่ดูแลอุปธรรมประทากหลวงปู่เลน่าจะมีทีมหมอทีมแพทย์เข้ามาเหมือนกันนะผู้อยู่อุปถ ร, รมประทากหรือพระอุปถากก็เหมือนกันแต่ผมสังเกตถ้าหลวงปู่ไม่สบายยังไง พระอุปถาก็ต้องติดต่อผู้ที่อยู่ใกล้เกี่ยวกับหม อ, อควรจะมาตรวจมาตราดูเพราะท่านอายุมากขนาดนั้นแล้วนะแต่หลวงพ่อเป็นห่วงตัวคนอื่นนะแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อไม่เป็นห่วงหลวงพอ่อหรอกติดผูดทั้งนี้ทั้งนั้นนะอพ อ, อะไรพอหลวงพ่อยังช่วยตนเองได้อยู่หลวงพ่อดูดูอยู่ดูดดนะแต่เป็นห่วงครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษามากเ พ, พราะหลวงปู่ลีสมัยก่อน เมื่อสิบปีให้กว่าให้หลังท่านมาอยู่ที่ผาแดงสมัยนั้นท่านกลางคืนตกกลางคืนประมาณสมสี่ห้าทุ่มเยท้องอืดจนท่านบางทีท่านปิดประตูไม่ให้พระเข้าไปยุ่งนะท่านจะตายคนเดียวนะพอตีสามตีสีขึ้นมาหายพอตอนเ ช, ช้ามาฉันจังหานได้ปกติ พอฉันยังหารปกติพอตกตอนบ่ายเริ่มตั้งแต่บ่ายบ่ายสองบ่ายสามเนะี่ยะฉันอ่ะฉันเพศสัตว์ไม่ได้นะมันท้องอืดจากนั้นคนนนสามสีทุ่ก็ย่างเกาอีกท่านนีท่านหมอพระหมอบัณฑิตที่ถูกฆ่าตายเมื่อสองสามปีนี่ท่านอยู่ที่นั่นเท่นีหมอบัณฑิตคนที่ท่านบวชมาแล้วท่านก็มีน้ำใจเออ ใครใก็ไม่กล้าพูดกับตลงปู่แต่ท่านก็ไม่นั้นบางทีทแท้ๆไม่เอาใครใครตอนนี้ใครใครก็ขยาดกลัวท่านก็มาในวันหลวงพ่อไปไปปรึกษากันเอาอยัางไงหลวงพ่อก็ไปเพือนกั น, นะเดินทางจากนาคําน้อยของเราไปแต่สมัยนั้นหลวงตายังมีชีวิตอยู่นั่งตาหมาบัวหลวงพ่อก็ไปก็นนี่แหะท่านทัน้งพระหมอทั้งแก่กุกหูเนี่ยนะ คือไปเราไปกราบท่านบอกว่าข้อ ก, อกาดกุญแจนเป็นยังไงครับผมท่านหลวงท่านเล่าให้ฟังอย่างที่หลวงพ่อพูดนะกุญแจนไปหาหมอเนาะไม่ไม่ไปไปหมอหาหมอใกล้ๆหัหมอ อ, อนก็ได้เราก็บอไม่ต้องไปศรีนครินไม่ไม่ไปแต่เนี้เราก็ถ้าคุญแจนไม่ไป กับผมจะเชิญหมอมามาตรวจนกกุจานอนามาว่ามันเป็นยังไงผมท้องอืดมันทํำลาคาญนะทรมานเนะี่ยมันเป็นอะไรก็จะได้รู้กันนิ ม, มนเชิญหมอเข้ามากุจานก็คงจะให้ตรวจนกคุจานเนาะท่านเงียบอท่านเงียบไม่พูดพอท่านไม่พูดเราก็รีบลาเลยไหรีบกราบกราลาแลนะ้วเนาะกลัวท่านจะเปลี่ยนใจว่างั้น เอหลวงพ่อต้องเมทิกต้องมีเทคนิคเคคด็กพอท่านไม่พูดจะแสดงว่าท่านรับเลยการกราบกราบกราบท่านแลยเลยกราบลากับผมขอกราบลาเออจากมากระมาพูดกับท่านหมอเห็นหท่านหมอเขนั่งอยู่ด้วยกันเฮียหมอหมอเอาเราจะเอาเรื่องไงวะหมอบันทึกเขาว่าผมเอกับพวกโยมได้ซื้อเครื่องอุ่นตาเซาว มาที่อำเภอกระนวลสองล้านยังใหม่ๆอยู่นะดังนั้นเราขอยืมได้ไหมได้ครับเอาก็ยืมขอยืมเครื่องอุนตัสาวเครื่องนั้นแหละนะแต่แล้วเราก็ออกมาอีกมาว่าไฟฟ้ายัางไม่เข้าผาแดงได้สมัยนะั้นแต่ปีเครื่องไฟฟ้าเครื่องใหญ่เครื่องหนึ่งที่ออกมาจากวัดป่าบ้านตาดนะคือบันตาดท่านมีเครื่องตัวอื่นนะท่าน ก, ก็เลยเอาเครื่องตัวนี้มาไว้ที่ผาแดง ปาแดงเลยไปเอามามาเอามาเอาม า, เอามาไว้ใช้เป็นเครื่องทําไฟใหญ่เราเขาบอกท่านหมอเนยดูนะให้เช็คเครื่องทําไฟไว้นะเวลาเครื่องต้นละมาเครื่องทําไฟพอไหมพอครับเครื่องทําไฟตัวนี้ใหญ่มากไหมเรื่องไฟไม่มีปัญหาครับติดเครื่องแลก็ใช้เครื่องตัวนี้เลยเออเอาเดี๋ยวงั้นผมจะประสานไปทางศีลคารินนะ หลวงพ่อกโทรไปหาอาจารย์หมอแมวเน่หมอวัฒนาหมอมุนเทียนอาจารย์หมอวิสุทธ์ทางสามสี่ห้าหมอจากนั้นก็หมออุดร อ, อกีกแล้วก็น้องบัวซออีกพออวันนั้นก็เข้าไปพอดีพร้อมกันหลวงพ่อก็เข้าไปเจ้าแก่กคุงก็เข้าไปเข้าไปเด่นก็ไปกราบเรียนท่านท่านก็เออเอาอนุญาต กันนี่ยกับห้องศาลาข้างๆเนี่ยห้องศาลาข้างห้องพระนี่ยนะถ้าเราไปกราบพรนะเนี่ยถ้าหันหน้าไปทางพระประธานกันห้องอยู่ทางซ้ายมือนะนะั่นแ่ละที่ห้องตรวจหลวงปู่ลีนะี่ยจากนั้นเอาเตียงเข้าไปกับเอาเครื่องอุ่นทศสาวเข้าไปเท่าๆกับตู้เย็นเนี่ยหงขุนทศสาวนะา่างนั้น ก, นกน็อาจารย์หมอวิสุทธนะ์เน่ยพออาจารย์เข้าไปใาคราจะเป็นคนตรวจทนะี่นี้ลูกหมอที่อุดอรก็ดีหมอที่ น้องบัวซอก็ดีก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หมอพิสุทธิ์อาจารย์หมอแมวทั้งหมดเลยอาจารย์หมอบนเทียนเป็นอาจารย์หมอที่ศีนครินเ่ะจบมาจากที่นั่นเฮออ้ออาจารย์เน่ยตรวจอาจากนั้นอาจารย์หมอพิสุทธิ์ก็เลยเอาผมจะเป็นคนตรวจพอปุ๊บเข้าไปเขาก็เล็งใส่นิ่วในถุงน้ําดีเลยแบบนั้นพอมันท้องอืดเนี่ยเขาเล็งใส่นิ้วถุงน้ําดีเลยอ เขาอุ่นทรายเตัวดูตับตัวดูตับก็ถุงน้ําดีไม่เจอนไม่เจอตรวจดูท้องโอ้มีแต่แก๊สแก๊สกาลังเลือบมากแก๊ก็คือลมนั่นแหละลมในลมในลําไส้เลยตมในลําไส้มันแน่นขึ้นมาท้องกําลังตึงขึ้นมามันก่อนไก่ไก่เทียงแหละจากนั้นเขาก็ตรวจดูไตอีก ตัวทุกอย่างแถวหน้าอกแถวปอดแถวและตัวไม่มีอะไรพอตัวจเอ๊ะมันเป็นอะไรเขาก็สงสัยพอตัวเขามามาในระหว่างแอบขาเนี่ยพอมาเห็นตัวเนี่ยโอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อาจารย์หมอวิชุดเป็นไรเราก็ถามว่าเป็นไรไขมันมันจุกอยู่ในเส้นเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงกระเพาะไม่พอ เราก็ทำให้ท้องอืดมันทั้งสองข้างด้วยเนี่ยโอ้โหไขมันจุกอยู่ทั้งสองข้างเลยเนี่ยอยู่ในเส้นเลือด เ, ออเราก็ถามว่าทำไมมันไปเกี่ยวกันไงกือเส้นเลือดกั บ, ก, บกับลำไส้มันมันไปมันอะไรทำอะไรกันเขาก็เลยอธิบายให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็เข้าใจมาแต่น้นเขาบอกว่าเวลาทานอาหารเข้าไปเนี่ยเลือดมันจะต้องไปเลี้ยง ถ้าเป็นคนแก่นะแปดสิบเก้าสิบปีไปแหลนะเวลาทานอาหารเข้าไปเนะี่ยเลือดจะลงไปเลี้ยงกระเพาะไปช่วยย่อยกอกระเพาะคนแก่นะ่าจะง่วงนะบางทียังคาหลับคาคำข้าวจนคําข้าวอยู่ในมือตัวเองหลับนะเอพวกคนแก่ที่คอยดูนะอันนี้แหละมันไม่ใช่ว่าคนแก่หลับนะเพราะมันมันเลือดไปเลี้ยงกระเพานะเนี่ยไปไปช่วยย่อยอาหารในกระเพาะพออาหารตกกรนะเพาะเนี่ยเหมือนกับเนี่ย ทหารทั้งหลายแหละก็ลมลงไปไปช่วยคนละไม้คนละมือว่าไงด้ไปช่วยย่อยอาหารในคนแก่จะนอนหลับแต่ใี่ของหลวงปู่ของเราเนี่ยมันเลือดมันขึ้นมามันมันมันมาไหลเข้ามาในแอบขาเนี่เส้นเลือดใหญ่เนีมันมาช่วยเพราะเลือดมันหมุนเวียนกันน่ะออกจากหัวก็ลงเออลงไปอีกเส้นหนึ่งเกิดไหลกลับเวียนเข้ามาวนเวียนอยู่ในหัวจีสารลงไปหาเท้าน่ะ เลือดคนของมันวิ่งอยู่อย่างนั้นเตอนนี้พอมันวิ่งขึ้นมามาถึงแอบขาเนี่ยมันจะเข้ามาในกระเพาะเนี่มันเข้าอืดเละพอตกอาหารตกเข้าไปในท้องเนี่ยทั้งที่อย่างน้อยทหารมันต้องยี่สิบคนยี่สิบคนรวมกันแล้วปร ะ, ประมาณห้าสิบคนเข้ามาช่วยย่อยอาหารอคนละไม้คนละมือนะเออมาทําทําอาหารให้ย่อย แต่ที่ทหารมันส่งเข้ามาน้อยสิทธ์สี่ห้าคนส่งเข้ามามาย่อยอาหารมันอาหารมันมันล้นมืองานมันล้นมือเนี่ยมันท้องเอือดเสียงเขาอธิบายหลวงพ่อฟังนะพอท้องเอือดเอืดอดเสร็จแล้วหนึ่งประมาณสามสี่ทุ่มนั่นแหละมันท้องเอือดเต็มทุนจากนั้นแต่ก็ทาทหารเขาก็ทําอยู่อนะพอถึงตีหนึ่งตีสองงานมันก็เบาแล้วต่มันหมด พอมันหมดอาหารมันก็ย่อยพอมันย่อยตอนเช้ามันก็สบายเพราะเราจะฉันจังหันได้อีกเพราะมันมันมันย่อยแล้วเนี่ยอทวันเนี่ยมันเลือดไปเลี้ยงอะเลี้ยงเลี้ยงกระเพาะน้อยครับหลวงพ่อแล้วก็ถามว่าจะทํำยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ถวายยาท่านไปละลายละลายไขมันเดี๋ยวก็หายครับแต่ต้องฉันยาเด้อเขาคนนัะ พอรู้เรื่องเขาคนนีมนมลหลวงพ่อเขาไปตรวจเอกเทอนี่อุ่นตเชาวเครื่องนั้นล่ะหลวงพ่อเขาไปนอนให้เขาตรวจสมัยหลวงพ่อยังหนุ่มอยู่ใช่ไหมล่ะประมาณห้าสิบกว่าเขาหลวงพ่อไม่มีอะไรนั่นนหะจากนั้นหลวงพ่อก็ลงมาพระหมอท่านก็เลยดูแลหลวงปู่หลีให้ยาตามปกติหายหายกับคราวนั้นมาเลยนะหายกับตั้งทุกวันนี้ท้องอืดสมัยนั้น่ะนี่แหละ ถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้ลูกหลานฟังลูกหลานก็คงไม่รู้ว่าหลวงพ่อไปเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ลีเนี่ยเกี่ยวข้องอย่างไงฮะเออเพราะนั้นพวกลูกหลานบางคนเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังหลวงพ่ออิไม่เคารพหลวงปู่ลีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นฮะหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็ยังหัวเราะเฮ้ยเฮ้ในใจอยู่เอถ้าว่าหลวงพ่อพ่อไม่เคารพหลวงปู่ลีเนี่ยหลวงพ่อจะถวายปัจจัยท่านไหมก่อนหน้านี้เอท่านถวาย ทองคําหลวงตาหลวงพ่อไปถวายท่านถามพระด้วยสิหลวงพ่อไปถวายหลวงปู่ลีนถวายหลวงตาหลวงพ่อไม่ได้ถวายเองเพราะหลวงปู่ลีเป็นผู้ใหญ่หลวงพ่อก็ให้ฐานะพี่ชายแต่เจดีย์ของหลวงปู่ลีนนี่กระเถิบหลวงพ่อพวกวัดของเราดีนะสร้างเจดีย์ของหลวงปู่ลีนเดี๋ยวเนี้หมดไปถวายไปสี่ล้านห้าแล้วนะลูกหลานนะสี่ล้านห้าแสนแล้ว หลวงพ่อก็ได้พูดเมื่อวานนี้ลุงวันนี้ก็ได้พูดอีกพอพูดเรื่องเกี่ยวกับหลวงปู่หลีใชอเกือบห้าล้านแหละพูดที่ว่าเคารพเนะ่ะได้ถวายหลว ง, งปัจจัยหลวงปู่หลีเท่าหลวงพ่อหรือเปล่ปาก็ไม่รู้นะแต่หลวงพ่อก็ไม่ว่าหรอกความมีเรามีแล้วก็ถวายท่านไม่มีท่านคงจะไม่ถวายแต่ถึงยังไงก็ไม่ควรจะพูดกันเอเพราะความเคารพไม่เคารพมันอยู่ในหัวใจของแต่ละคนแต่ละท่าน เราเอาอะไรมาวัดเลยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยพวกเท่าทั้งหลายไม่เคารพหลวงพ่ออินนะรับมีลังวัดไหมเออาปลอดมาวัดไหมใครไม่เคารพอยู่ดิใครเคารพมากใครเคารพน้อยล่ ะ, ะแต่บางคนกระทำท่าปลอตรปลนะแต่ ท, ท่าทาเคารพแต่ในใจนะ่ะไม่รู้หมัดไม่รู้มวยก็มีอีกเหมือนกันนั่นแหละเอะพเพราะอะไรใครจะไปรู้ว่างหัวใจแต่ละคนนะเอะเพราะนั้น อย่าไปพึ่งดูถูกอย่าไปพึ่งว่าให้กันต้องฟังกันด้วยเหตุด้วยผลสิ่งเหล่านี้นะอันนี้ก็คือหลวงปู่ลีที่หลวงพ่อเข้าไปไปกราบคารวะท่านแต่ถึงยังไงก็เป็นห่วงที่ได้ยินท่านสักนาแคพูดเมื่อวานเลยหลวงปู่ท่านมืนศีศักแต่หลวงพ่อก็ได้ยินหลวงปู่ท่านพูดอีกเหมือนกันท่านว่าความดันของท่านสองยกว่า เพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะทีมแพทย์ทีมหมอที่เกี่ยวข้องช่วยช่วยกันไปดูลงปู่ด้วยควรจะมีพระที่อุปถัมภ์ปถาก็ควรจะบอกกล่าวไปถึงหมออาการลงปู่เป็นยังไงเป็นระยะระยะไม่ฉิดลงปู่เป็นยังไงก็เฉยแต่ตามไม่จริงก็อย่างว่าลงปู่ท่านก็คนโบราณนะ โดยมากท่านจะเชื่อแผนโบราณบ้างเชื่อหมอจีนบ้างแต่หลวงพ่อก็ไม่ว่าการเชื่อหลวงพ่อเนี่ยเชื่อทุกคนท่านรักษาหายนะแต่รักษาดีรักษาหายไม่ว่าหมอจีนไม่ว่าหมอไทยอ่ะไม่ว่าหมอวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่แต่ถึงยังไงหลวงพ่อยังเชื่อหมอวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพราะเขามีเครื่องมือเขาตรวจอะไรเขารู้แต่หลวงพ่อก็ยังให้ดีเกลี่กับหมอรุ่นใหม่ แต่ถึงยังไงก็ตามถ้าว่าผู้ใดนะหลวงพ่อได้รับคําแนะนํามาจากคุณหมอนะ่ะถ้าว่าใครปวดท้ายทอยนะ่ะปวดงอนนะ่ะปวดอย่างแรงนะ่ะอันนั้นแปลว่าเลือดมันกําลังจะขึ้นไปไปเลี้ยงสมองมันดันอย่างแรงนะเนี่ยแหละคนที่จะเส้นเลือดแตกในสมองจะเป็นอย่างนั้นอนะนะถ้าว่าผู้ใดก็ตามท่า บางคนเนะ่ยชอบนอนนะพราะปวดมันะจะนอนละ่ะเพราะมันปวดเนี่ยจะไปนั่งยังไงแต่ว่าหมอเขาบอกให้นั่งนะต้องป ร, ประคองให้นั่งพอนั่งเท่านั้นแหละเลือดมันจะวิ่งขึ้นไปหาสมองอยากอีกสักพักหนึ่งมันจะหายถ้าให้นอนเน่ยเส้นเลือดแตกเลยนะจนเลือดจะแตกในสมองทันทีนะเพราะนั้นเวลาใครปวดท้ายทอยอย่างแรงๆ วัดความดันถ้าความดันขึ้นสูงปิดแล้วก็ปวดท้ายถอยยาห้ามนอนเด็ดขาดนะถ้านอนขึ้นไปมีโอกาสที่จะเส้นเลือดแตกในสมองได้ง่ายอันนี้ให้ฟังๆไว้นะลูกหลานนะอันนี้เป็นวิชาความรู้ชวนหนึ่งที่หมอใหญ่เขาบอกแนะนำหลวงพ่ออันนี้ก็เหมือนกันน่ะกูบายจานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่ผู้อยู่ใกล้ชิดเนี่ย ถ้าหลวงปู่เป็นลักษณะนั้นกัให้ท่านเอนๆอย่าให้ท่านนอนแล้วก็พยายามดูความดันอายุมากขนาดนั้นแล้วนะลูกหลานทั้งหลายเนะควรจะประครบประงมควรจะรักษาเพราะว่าครูบาอาจารย์ปี่ที่มีอายุพรรษาถึงขนาดนั้นนะผู้มีอายุเป็นอยู่ร้อเป็นอยู่วันหนึ่ง บัณฑิตนักปราชญ์ผู้มีพระคุณพระอริยะสงสาวกเป็นอยู่วันหนึ่งก็ยังดีกว่าผู้ภาละชนเป็นอยู่ทั้งร้อยปีอันนี้คือทมคำสอนของพระพุทธเจ้านะแต่ตใครๆเขาไม่อยากจะตายทั้งนั้นแหละแต่ว่าความมีประโยชน์ใครๆเห็นได้กราบได้ไหว้ได้เคารพสักการะบูชาเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับ พุทธบริษัทสี่นี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะคณะสัายาติยมหลวงพอ่อได้พูดได้กล่าวการดูแลอุปถัมภะถาดดูแลครูบาอาจารย์เป็นหน้าที่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายช่วยช่วยกันดูนะพูดอยู่ใกล้ชิดนะแต่ท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยสำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อไม่ได้ห่วงตัวเองหรอกวที่พูดท้งนี้ท้งนั้นนะหลวงพ่ออยู่หลวงพ่ออินเเออ อายูมากอย่างนั้นแหละมันทุกอย่ากลำบากจากสิบเจ็ดสิบแปดสิบปลายปีก็เอ า, าพอแล้วละ่ะหลวงพ่อว่าอย่างงั้นนะเออแต่หลวงปู่ลีท่านบอกโอ้ยไม่รู้จะตายวันไหนเหลวงพ่อไปวันวานวันก่อนโอ้ไม่รู้จะตายวันไหนมันเบื่อเหลือเกินทุกเหลือเกินมันจะไปไหมมันไปวะย่ายายากุญแจนขอจะก่อนนิมนต์จะก่อนครับกุญย์ ยังไงให้สร้างเจดียด์เสร็จซะก่อนให้ได้ฉลองเจดีย์ซะก่อนเอาร้0ยี่สิบปีเนาะครูจานเนาะวะท่านก็ยิ้มห <c oughs> ลวงพ่อกาบกาบนิมนต์หลวงปู่ให้อยู่ถึงร้ยี่สิปีนะลูกหลานนะหลงปู่ลีเ <c oughs> นี่ยะวันนี้ก็ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ให้พวกเราท่นทานทั้งหลายได้ฟังเป็นการศึกษาส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันนะลูกหลานนะ อันต่อนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในตอนนี้นะ